หนึ 175. โกติคามสัจจกถาว่าด้วยทรงสแสดงอริยสัจที่โกติคามสองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางโกติคามทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โกติคามนั้นพระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายในโกติคามนั้นว่าภิกษุทั้งหลายเราและพวกเธอเร่ร่อนไปตลอดเวลานานถึงเพียงนี้เพราะไม่ตรัสรู้และไม่แทงตลอดอริยสัจสี่ได้แก่เราและพวกเธอเร่ร่อนไปตลอดเวลานานถึงเพียงนี้เพราะไม่ตรัสรู้ และไม่แทงตลอดทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจเราและพวกเธอเร่ร่อนไปตลอดเวลานา น, านถึงเพียงนี้เพราะไม่ตรัสรู้และไม่แทงตลอดทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายแต่บัดนี้ ทุกขอริยสัจอันเราและพวกเธอได้ตรัสรู้และแทงตลอดแล้วทุกขสมุทัยอริยสัจอันเราและพวกเธอได้ตรัสรู้และแทงตลอดแล้วทุกขนิโรธอริยสัจอันเราและพวกเธอได้ตรัสรู้และแทงตลอดแล้วทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อันเราและพวกเธอได้ตรัสรู้และแทงตลอดแล้วเราและพวกเธอตัดตันหาในพบได้เด็ดขาดตันหาที่จะนำไปเกิดสิ้นแล้วบัดนี้จึงไม่มีการเกิดอีกต่อไป